ครับหลวงพ่ อ, อเสริมนิดนึงครับปัญหาของการดูจิตเนี่ยครับมันจะไม่เห็นตัวคือมันคือเหมือนกับว่าผมอธิบายเมื่อวานว่าเห็นโทรศัพท์นะเราเห็นเนาะแล้วก็ก็จะมีธรรมชาติรู้อันหนึ่งมารู้เรานั่งอยู่ด้วยเนี่ยแต่ผู้ดูจิตนานา น, านั้นเขาจะไม่เห็นตัวเองนั่งเลยครับตรงนี้มันจะเกื้อกูลพวกดูจิตยังไงครับ อ, อหลวงพ่อจะลองยกตัวอย่างนะ สมมติที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่คุยกันเนาะออไม่มีใครสั่งว่าให้เราไปทำกรรมฐานแบบดูจิตหรือตัวเจ้าของเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกำหนดรู้ดูจิตตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่ได้เราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเดียวเราไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรสักอย่างเดียวแต่พอบอกว่าเอาโยมที่อยู่ในห้องคลับทั้งหลายทุกคนเลยต่อจากนี้ไปพอหลวงพ่อนักหนึ่งสาพอสามปั๊ ให้ทุกคนดูจิตโยมจะลองสังเกตดูสิว่าพฤติกรรมอ่ะพฤติกรรมนะไอตอนที่ไม่ดูจิตนะ่ะมันก็มีพฤติกรรมแบบอย่างนั้นแหละคือคือไม่มีการดูไม่มีผู้ดูแต่พอเจตนาปับ๊บมันจะมีผู้ดูจิตขึ้นมาทันทีเลยใครเป็นคนผู้ดูก็คือตัวเราเห็นไหมตัวเจตนานี่แหละเนี่ยตัวนี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่เราไม่รู้ว่ามันกาลังปรุงแต่งที่จะเป็นผู้ดูจิตก็เลย ไปเป็นผู้ดูจิตเสียเองก็กลายเป็นว่าเราเป็นผู้ดูจิตเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ดูจิตมันไม่ใช่ดูจิตแล้วเพราะการดูจิตที่ถูกต้องคือจิตจะต้องดูจิตก็หมายความว่าจิตก็ไม่ใช่เราจิตที่ถูกดูก็ไม่ใช่เราแต่ที่ปฏิบัติมาร้อยทั้งร้อยที่ผ่านมามีตัวเราเป็นผู้ดูจิตหมดเลยแต่ก็ไม่รู้ตัวเราที่เป็นผู้ดูจิตนี่เป็นจุดที่แบบ เป็นจุดที่มันแบบอะไรนะเขเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาหรือว่าหญ้าปักขอ้อมัวแต่เอาตัวเราเป็นผู้ดูจิตแต่ไม่รู้ตัวเราที่เป็นผู้ดูตอจากนี้ไปถ้าใครรู้เท่าทันว่าอา้าวมีเราเป็นผู้ดูอีกแล้วเนี่ยแค่รู้เราแบบนี้จบแล้วแค่รู้เราแบบนี้จบแล้วเพราะอะไรเพราะเราเป็นสิ่งถูกดูไปแล้วแล้วก็ไอจิตเนี่ยไอจิตพุท ธ, ธะเนี่ยไอจิตที่มีความรู้นะรู้แจ้งรู้จริงอะ่ะก็รู้เรา เพราะว่าในเราเนี่ยมันมีครบเลยมีครบห้าขันเลยมีตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในตัวเราถ้ารู้ตัวเราเนี่ยเท่ากับว่ารู้ขันาอยู่ทีเดียวเลยก็เรียกว่ารู้แบบแบบยกยกเข่งอ่ะเออรู้แบบยกเข่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยพวกดูจิตทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้ทันทีเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยผิดหมดเพราะเอาเราเป็นเพราะเอาตัวเราไปเป็นผู้ดูจิตแต่ไม่รู้ตัวเรา เพราะฉะนั้นให้กลับด้านเสียจากนี้ไปถ้ามันยังมีความเคยชินที่จะไปดูจิตมีพฤติกรรมอย่างนั้นมีเจตนาอย่างนั้นให้รู้เท่าทันพอรู้เท่าทันแค่นี้จบแล้วนะไอ้ตัวเจตนาก็ดับแล้วถ้ามันจะดูใหม่ก็รู้ทันอีกถ้ามันดูใหม่ก็รู้ทันอี ก, ห ก, อกเห็นไหมาการรู้ทันแบบนี้มีแต่ความหลุดพ้นอย่างเดียวหลุดพ้นจากอะไรก็หลุดพ้นจากตัวเราหลุดพ้นจากขันห่านะ แต่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างเงี้ยต่อไปถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันทําได้หมดไงต่อไปอ้าสมมุติว่าเราจะดูจิตแบบที่เคยดูมาก็ทําได้เพราะอะไรเพราะขณะที่ทํามันก็รู้ตัวเราอยู่แล้วก็ทําไปเหอะดูไปเหอะแต่มันก็รู้ตัวเราอยู่ว่าเราเป็นผู้ทำเห็นไหมทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีความชํานาญว่าในการรู้ตัวเรามากขึ้นพอมีขยับนิดเดียวอ่าก็จะรู้ตัวเราเหมือนกับว่าสตาร์ทเลยเนาะพอสตาร์ทจะเป็นผู้ดูจิตปับ๊บ อ่ารู้ทันพอมันจะสตาร์ตรู้จิตก็รู้ทันนี่การรู้ทันแบบนี้มีแต่รู้หลุดพ้นนะถ้าฟังเข้าใจนี่นี่แหละเขาเรียกว่าจับต้นทางได้แล้วก็เปลี่ยนจากความหลงผิดความไม่รู้เนี่ยให้มันเป็นความรู้เสียไอความไม่รู้ไอตรงที่ว่าเอาเราไปดูจิตแล้วไม่รู้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะวิชาคือไม่รู้สังขารที่ปุงแต่งเลยเข้าไปเป็นสังขารเสียเอง แล้วก็เป็นนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วดูจิตมายี่สิบปีแต่ไม่เคยรู้ตัวเราที่เป็นผู้ดูจิตมันก็เลยไม่ก้าวหน้าเพราะเหตุว่ายังมีตัวเราเป็นผู้ดูอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องทําลายผู้ดูก็คือทําลายตัวเรานี่แหละทําลายก็คือว่าทําลายความเห็นผิดว่าไอา้ตัวที่ผู้ดูจิตนะ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นสังขารเนานะแล้วมันก็ไม่ใช่จิตจริงๆมันเป็นแค่สังขารเป็นแค่ตัวเจตนาเป็นผู้จงใจะต้องให้รู้ทันแบบเนี้ย อ่ะยังสงสัยอะไรไหมประเด็นนี้ขออนุ ญ, ญาตค่ะืออยู่ที่หลวงพ่อพูด เ, เสียงเบามากนะเสียงเบามากเออมันที่หลวงพ่อพูดเรื่องเจตนาหนูเพิ่งมาคิดออกว่าเอ่อเคยอาจจะไปในดิบนิดหน่อยะคะ่ะคือเคยเคยเคยเห็นตรงที่ว่าเออ่รู้เมื่อไหร่รู้นี่รู้ตัวที่รู้แบบไม่ใช่รู้นั้นแต่รู้ปลอมเนี่ยคะ่ะตัวรู้ตัวปลอมมีเมื่อไหร่เนี่ยค่ะ เหมือนมีตัวเราขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆอ่ะเหมือนว่าแบบไม่รู้แบบนั้นอะค่ะคือการไม่รู้เกิดขึ้นอ่ะเหมือนอยู่ที่ไปอยู่เฉยๆแบบไม่รู้อะตัวเรามันก็ไม่มีอะค่ะ น, นี่อันนี้เคยสังเกตอยู่ว่าแต่แต่บอกไม่ถูกตอนนั้นคือเราไม่รู้เรื่องรู้เราหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าเคยมีหลายๆครั้งที่สังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวปองเกิดขึ้นเมื่อนั้นมีความมีตัวเรา ค, คือรู้สึก ออกมาว่ามีตัวเราตอนนั้นตอนอื่นมันไม่รู้อย่างเช่นตอนหลับเราก็ไม่มีตัวรู้ปลอมอันก็เงี้ยค่ะคือตัวรู้ปลอมเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มีตัวเราเกิดขึ้นมาเมื่อ น, นั้นแต่เราไม่รู้ว่ามันจิตผู้รู้เนี่ยตัวปลอมเนี่ยกับเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอยู่พึ่งมาเข้าใจก็เมื่อาวานนี้ว่าอ๋อเราหลงผิดว่ามันคือตัวเรานี่เองมันก็เลยอยู่อย่างนั้นมาตลอดเนี้ยค่ะติด ก็คือมันมีเจตนารู้เมื่อไหร่อะมันก็คือตัวเราเกิดขึ้นเมื่อนั้นเลยอะค่ะ อ, อืมใจเข้าใจเข้าใจตรงนี้อค่ะเออเพราะว่าเวลาเจตนาเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารมันเกิดแล้วแต่แท้จริงมันก็คือสังขาร น, นั่นแหละแต่ด้วยที่เราไม่รอบรู้ในกองสังขารหรือว่าไม่มีปัญญาเข้าใจในเรื่องของสังขารเนาะก็เลยไปยึดถือสังขารมาเป็นตัวเป็นตนนะเพตอะนั้นพอเจตนาปับ๊บเป็นแม่เจตนานี่จริงๆถ้ารู้จักแล้วก็คือสังขาร น, นั่นเอง แต่ด้วยความไม่รู้รอบความไม่รู้แจ้งขาดปัญญาก็เลยไปยึดถือตัวเจตนาเป็นเราเป็นผู้เจตนาก็เลยตรงนี้แหละบางทีเนี่ยที่ที่ทำไมไปยึดถือเป็นเราก็เพราะว่าความไม่รู้หรือว่ารู้ไม่ทันก็เลยไปยึดถือแต่แท้จริงอะสภาวะแต่และสภาวะแต่และอย่างแต่และอย่างนะมันไม่เคยมีเราไม่เคยเป็นเราเลยอะไม่ยกเว้นสักคือทุกอย่างเลยไม่มีเราในสิ่งนั้นเลยแต่ด้วยความหลง ที่มันหลงมานานไงเนาะก็เลยไปยึดไปยึดไปยึดตอนนี้ปฏิบัติก็คือให้รู้เท่าทันรู้เร็วจากการได้ยินได้ฟังอันพินาแล้วก็ต่อไปก้อนเนี้ยมันจะชํานาญมากขึ้นนะทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่โยมพูดถึงเรื่องที่มันไม่รู้อะไรอะ่ะจริงสภาวะนี้มีอยู่นะเป็นความรู้สึกว่าไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คือมันไม่รู้อะไรไงเออสภาวะแบบนี้มันเป็นสภาวะที่มีโมหะคือคือไม่แจ้งไม่ชัด ไม่ชัดเจนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรมันก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงแต่มันก็ไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ถาวรคือถ้าเป็นอย่างนั้นถาวร น, นะตั้งแต่เกิดมานะคือไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรสักอย่างเลยอันนี้เป็นโมหะแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาวะธรรมทุกอย่างมันก็เป็นไตรลักษณ์ใช่ไหมเออจากที่มีโมหะโมหะดับไปมันก็กลายเป็นรู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็สลับหน้าไปเอ บางคนเนี ên, ่ยบอกว่าเออเวลามันไม่ร so so so ู้อะไรมันก็ไม่ทุกข์ดีนะงั้นเรียนธรรมะเรียนทำไมเรียนแล้วมันรู้มากแล้วก็เป็นทุกข์แบบไม่ต้องเรียนเลยไม่ต้องอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็ลองทําดูสิถ้าไม่รู้เรื่องจริงอ่ะถักวันหนึ่งถ้ามันรู้เรื่องอ่ะแลยจะทํำยังไงอือตอนนั้นคนบางคนเขาก็ไม่รู้ข้อนี้ไงชอบทําเล่ทําเอ๋อทําอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเพื่อจะได้ไม่ต้องทุกข์แต่ความจริงมันเป็นโมหะมันเป็นความหลงชนิดหนึ่งซึ่งไม่ถูกเพตอะนั้นหนทางที่ถูกก็คือรู้นี่แหละ รู้มันทุกอย่างนะมีโมะหะก็รู้ไม่มีโมะหะก็รู้คืออยู่กับรู้อย่างเดียวอะไรก็ได้รู้เนี่ยคือรู้แต่พฤ้ตะพือไปก็มันเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติใช่ไหมเออให้มันรู้ไปทีนี้เดี๋ยวมีตรงไหนอีกนะเมื่อกี้หลวงพ่อจะพูดแต่ก็ลืมไปอ่ให้ผ่านไปก่อนอ่ะโยมต่อแล้วกันคือคือเมื่อก่อนหนูก็รู้อย่างนะะี้ค่ะรู้ไปเรื่อยคือรู้ทุกสภาวะเลย แต่ไม่ได้แทรกแซงแต่อันนี้ใช้ตัวผู้รู้ตัวบอมดูแต่ผู้รู้ตัวบอมทํางานอย่างเช่นอัตโนมัติแต่ว่ า, ารู้ทุกคิดความคิดรู้บนรู้รู้เสร็จแล้วมาบนต่อก็รู้แต่ไม่ได้ไปห้ามว่าห้ามทำห้ามห้ามบนทํามอะไรแต่ก็รู้รู้ว่าหลงก็รู้เหมือนที่หลวงพ่อพูดแต่ว่ามีตัวเดียวที่ไม่รู้คือรู้เราอ่ะและ ก็รู้อยู่ว่าเรายังไม่รู้ตรงนั้นก็ก็รู้อยู่แต่ไม่ได้บางเ้าว่าเออเราต้องเพียดแบบต้องรู้เราให้ได้อย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่ายังรู้อยู่เนืองๆแบบรู้อยู่ในใจข้างในลึกๆว่าเรายึดจิตว่าเป็นตัวเราอยู่และเรายังไม่เป็นอิสระจากตัวนั้นก็รู้อยู่อ่ะค่ะคือผู้รู้ปอมมันทำงานแบบเฉียบพันไม่ใช่เฉียบพันอ่า คือทํางานก็แบบเวลาทางานแบบเด่นดวงแบบตั้งมัน่นจนเราเหลือมันบ้างก็มีไงค่ะตอนนั้นหลายครั้งที่แบบเฮ้ยถ้าไม่ทําไม่มีรู้ก็จบใช่ไหมเพราะว่ารู้อยู่นั่นรู้อยู่นั่นเนี้ยคือคือรําคาญว่าทําไมเราต้องรู้ตลอดหรือมันไม่ได้ไม่ได้อยากรู้แต่ก็รู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเนี่ยซึ่งเห็นไปเห็นในมุมของพว่ามันทําให้เรามีภาระที่จะต้องรู้ มันเหมือนมีภาระอยู่อะค่ะเหมือนเหมันเห็นในมุมของการมีทุกข์มากกว่าการมีตัวเราเพราะว่าเราไม่เคยเห็นมุมตัวเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือเรามาเห็นมุมนี้รู้สึกโล่งอีกหนึ่งจุดเลยอะค่ะเหมือนว่าอ๋อมันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดแล้วอะที่เราเห็นตรงนี้เหมือนว่าอ๋อนี่แหละจุดนึงที่เราพลาดมาตลอดหรือเราไม่เคยคิดถึงมันเลย เราไปเห็นแบบทุกจิตมันเป็นตัวทุกรหรืออะไรของมันก็ตามเนี้ยค่ะแต่จิตไม่ใช่เรานี่คือเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วอะ่ะแบบสําหรับผู้ดูจิตคื อ, ค, อคือมันมันมันออกจากตรงนั้นยากมากเพราะว่าเพราะเรารูอค่ะเรารู้ตลอดเรารู้เรารู้เรารู้ตลอดเลยอค่ะและเราก็เก่งด้วยที่เรารู้อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเรารู้ว่าเราเก่งเนี้ยค่ะแต่มันมันยังยึดอยู่ก็รู้ว่ายึดอยู่ คือตัวรู้มันรู้ทุกอย่างอะคะ่ะแต่รู้ปอมอะแต่วันนี้คือเหตุเลยว่าอ๋อมันมีอีกอันนึ่งที่ที่เราพลาดอะคะ่ะซึ่งมันก็อัศาจรรย์เหมือนกันว่าอ้าวทาไมเราทํามาตั้งเยอะแล้วเฮ้ยเพียนพลาดเพียนขนาดไหนโหตัวรู้ตั้งบั่นนี้มันไม่ใช่ง่ายนะคะแต่ว่าไอตัวเล็กๆแค่เนี้ยเราพลาดได้ยังไงเนี้ยหนูกน็ก็มีบน่นบ่นเยอะอะค่ะ บ, นบน่นๆนลวงก็เป็นอีบ้างเอางี้นะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องการดูจิตเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยจุดสตาร์ทอ่ะตรงนี้ลองจับดูถือว่าความแตกต่างเนาะตอนที่ไม่ดูจิตมันไม่มีผู้ดูมันไม่มีผู้ดูนะแต่ถ้าต่อไปอเกิดอะไรขึ้นในจิตมันรู้เองได้เลยเช่นไม่พอใจหรือความโกรธความอะไรเนี่ยมุดหงิบเนาะอย่างนั้นนหะมันรู้เองที่มันรู้เองเพราะว่าอะไรไม่มีไม่มีเราเป็นผู้ เป็นผู้เป็นผู้ดูแต่จิตเนี่ยจะดูจิตเองก็เลยรู้ไปเลยแต่พอการปฏิบัติน่ะมันมีตัวเจตนาเป็นผู้ดูจิตเห็นไหมเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นคนเรียกว่าเอาตัวเราไปเป็นจิตแล้วก็นั่งดูนั่งนั่งซองนั่งนั่งมองอย่างนั้นเลยแต่ตรงเนี้มันไม่รู้ตัวเราผู้ดูผู้มองผู้เพ่งผู้จ้องไม่เห็นตัวเราเพราะนั้นใครก็ตามที่เคยปฏิบัติอย่าง เอาตัวเราไปดูอย่างนั้นน่ะก็ให้รู้เท่าทันเสว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วก็เลิกทําเพราะว่าถ้าทําเท่าไหร่มันก็ยังเป็นเราเป็นผู้ดูอยู่เพราะฉะนั้นให้เป็นผู้รู้เราที่เป็นผู้มีเจตนาผู้ทําอย่างนั้นแหละพอรู้เราเสร็จแล้วก็รู้ทิ้งเลยอ่ะรู้ทิ้งเลยรู้ทิ้งคือแค่รู้แล้วก็ผ่านไปอย่าไปสนใจมันอแค่รู้แล้วก็ผ่านไปเพราะว่าสภาวธรรมมันมีแค่ขณะการณ์การณะแต่ถ้าเรามา มาดูเรามารู้เรานา น, านๆเดี๋ยวมันก็ไปตั้งรู้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมมันก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นเพียงแค่ระลึกนึกได้ขึ้นมาว่าโอ้ตัวเราเป็นผู้ดูจิตอีกแล้วตัวเรามีเจตนาอีกแล้วตัวเราทําหน้าทําตาอย่างนั้นอีกแล้วตัวเราก้มคอหักไปดูจิตอย่างนั้นอีกแล้วเนี่ยให้รู้เท่าทันแบบเนี้มันก็จะแยกระหว่างตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้กับธรรมชาติรู้ตัวเราได้เนี่ยเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อชี้ตรงนี้ไม่ยากแล้วเพราะต่อไปพอยมจะดูจิตปั๊บ มันรู้เท่าทันแล้วว่าเออแน่ดูแล้วอย่าเงี้ยพอจะไปดูจิตปั๊บมันรู้เท่าทันแหละอย่เงี้ยก็จะเห็นทันที่มันเห็นทันเพราะว่าได้ยินได้ฟังมาก่อนอะตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เกิดความสติทําให้เกิดสัญญาจําได้ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติแบบมีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติเห็นไหยการดูจิตก็ที่ผ่านมาก็เอาตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติหมดเลยแต่ไม่เคยรู้ตัวเรา <laughs> ว่ามันเป็นสังขาร ไม่ทราบมา่น้องได้ยินชัดไหมครับแต่ว่าพอจะคือสัญญาณคือติดขัดมากๆลยลบกวัน้องพูดดังนิดนึงครับเอามาจ่อปากไปใกล้นิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้สัญญาณแย่มากหนูหนูไม่ค่อยเข้าใจเลยอะค่ะอ๋อเดี๋ยวพอจะจับประเด็นได้คือว่าเวลาที่หนูเนี่ยที่หนูวอร์ดดิ้งสำคัญก็คือรู้เท่าทันก็คือขณะที่ที่รู้ว่าดูจิตเนี่ยหรือว่าขณะที่รู้ต่างๆนั้น ก็ให้รู้ว่าเออเหมือนว่าใครรู้และที่สําคัญเนี่ยมันก็เป็นเรารู้ทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นเรื่องของมีการเจตนามีการจงใจและมีผู้ที่จะไปรู้จิตดูจิจตตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็มันก็มันที่หลวงพ่อว่าอีกและอีกและอีกและเนี่ยก็มันเหมือนความว่าพอมันรู้พอมันดูจิตทุกทีก็อีกแลเหมือนกับว่าทันมันทุกทีอ่ะพอมันแต่ว่าไม่ต้องไปห้ามมันว่าไม่ต้องดูหรือว่าไปบงังคับมันว่าอย่าดูอะไรก็คือว่า พอรู้พอดูตรงนั้นอ๋อทันอีกแล้วเพราะมันเหมือนกับเห็นทันเห็นทนัท น, น, ทนแบบนี้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเข้าใจลงไปเองเลยว่าทั้งหมดทั้งมวล ท, ที่เป็นดูจิตหรือว่าเป็นรู้อะไรต่างๆผู้รู้ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยเหมือนคําที่เคยได้ยินจากเซนว่าพระผู้รู้ให้ให้ทําลายผู้รู้ทีเพระพระพุทธเจ้าที่ว่านั่นแหละพระผู้รู้ให้ให้ทำลายผู้รู้ตรงนี้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพระผู้รู้นี้คือรู้อย่างนี้นี่แหละครับ ไม่ทราบหนูมีอะไรที่กังวลหรือสงสัยไหมครับณตอนนี้คือกอ็จะสังเกตดูค่ะตอนตอนนี้ผู้รู้ผู้รู้ต่ตอปอยั ง, ย, งยังไม่ทํางานเป็นปกติมันแปลกมากเพรวันนี้มันแปลกที่เพราะว่าปกติจะรู้จะรู้ทุกความคิดรู้ทุกอย่างในโลกที่รู้ทุกอย่างกับกับเองเลยตื่นมาก็รู้แล้วอย่างนี้ค่ะมันทํางานของมันไปแล้วแต่วันนี้มันเีย็นชายอย่างรู้ค่ะถูกก็ เดี๋ยวจะรอดูสักอีกแป๊บหนึ่งว่ามันอะไรยังไงเนี่ยคะ่ะแตตอนนี้ก็ลั ง, งงงอยู่ค่ะกับสภาวะแต่แต่เข้าใจทุอย่างที่พี่แล้วหลวงพ่อท่านแนะนำให้ให้ทาให้เห็นแบบนี้ไปไปเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็ยังไม่มีข้อสงสัยกรณีที่หลวง หลวงพ่อยกตัวอย่างให้เห็นว่าเออเหมือนกับเพื่อนนี่ครับที่เราไปเห็นพฤติกรรมของเพื่อนนะครับบางคนรู้เรื่องเพื่อนดีกว่ารู้เรื่องตัวเองอีกแต่จริงๆนั้นก็คือเล่าให้ฟังว่าการที่การรู้เรื่องเพื่อนอะไรต่างๆที่รู้พฤติกรรมเพื่อนทั้งหมดเนี่ยก็เห็นว่าเออพฤติกรรมเพื่อนไม่ไม่ใช่พฤติกรรมของเรามันเห็นแยกแคตตรงนี้ในในส่วนของพฤติกรรมของเพื่อนกับเราซึ่งตรงนี้มันทําให้ให้เห็นความจริงว่าทั้งพฤติกรรมเพื่อนและพฤติกรรมของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูหมดเลยตรงนี้ะครับ มันจะทําให้เห็นเลยว่ามันอยู่ฝั่งของที่เป็นสังขารหรือฝั่งที่ฝั่งถูกดูทั้งหมดเลยฝั่งฝั่งถูกนี้จะถูกรู้ทั้งหมดเลยดังนั้นเป็นประโยชน์มากเลยที่ว่าต้องมีการอุปมาเปรียบเทียบแต่ว่าแต่ถามว่าเออถ้าน้องไม่ได้ยินคําว่าพวกพี่สนทนากันทุกวันว่าไอ้รู้ปลอมปลอมเนี่ยที่เป็นสังขารเนี่ยน้องมันจะไม่มีสภาวะที่มาจํามาพูดว่ามีรู้อีกหนึ่งรู้ปลอมเพราะว่า พวกที่ดูจิตต่างๆเขาเขาจะไม่มีการพูดว่าอะไรรู้ปลอมรู้อะไรเนี่ยแต่พอน้องมาฟังพวกเราพูดกันทุกวันทุกวันทุกวันอ๋อมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้เราและตัวที่รู้เป็นที่เราเคยรู้มาสมัยก่อนนั้นเป็นรู้ปลอมรู้ปลอมเนี่ยมันทําให้มันทําให้มีความจําขึ้นมาว่าอ๋อมันมีรู้ที่รู้ปลอมด้วยนะรู้จริงด้วยก็หลวงพ่อเคยบอกว่าเออของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้นั้นไม่จริง นี่ที่พูดอยู่เนี่สังขารทั้งหมดนะครับรู้ปลอมหมดแต่ว่าธรรมชาติไหนล่ะที่จะมาให้รู้ว่ารู้ปลอมถ้าไม่มีการนามิตรถ้าไม่มีการฟังถ้าไม่ไม่มีการพิจารณาว่าทําไมจึงเป็นสิ่งที่รูปปลอมล่ะเพราะสิ่งที่รู้ปลอมนั้นมันพูดได้ไงเพราะสิ่งที่รู้ปลอมมันปรุงแต่งเพราะสิ่งที่รู้ปลอมมันเกิดดับเพราะสิ่งที่รู้ปลอมมันปรากฏมันเกิดปรากฏให้รู้แต่ธรรมชาติที่น้องบอกว่าไม่ปรากฏให้รู้เนี่ยมันรู้ไม่ได้ แม้พยายามจะไปหามันก็หาไม่พบดังนั้นถ้ามันหาไม่พบในในเดี่ยวนี้ขณะ น, นี้แล้วจะเห็นเลยว่ามัจจุราชหรือโยมทูตมันจะเอาไปได้ยังไงครับหามันไม่พบนะครับไอตัวสภาพที่เป็นวิสังขารดังนั้นก็หลวงพ่อเลยบอกว่าวิสังขารนั้นเป็นนามตะไม่ปรากฏแล้วก็เหนือความตายเห็นไหมครับวันนี้น้องเริ่มมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นซึ่งภาวะนี้เนี่ยแม้ว่าจะเกิดภาวะหรือ ปรากฏการอะไรต่างๆก็ให้รู้ว่ามันเป็นฝ่ายถูกรู้ทั้งสิ้นเลยครับเหมือนเพื่อนเรานี่ครับจะมีความสามารถกิ่งกัดเอ่อมีความมีท่าทางแปลกๆหรือว่ามีความเชี่ยวชาญเพื่อนเราจะมีลักษณะพฤติกรรมอะไรต่างๆที่เราดูแล้วไม่เข้าท่าหรืออะไรต่างๆแต่เราก็เห็นว่าสิ่งนั้นเพื่อนเราก็เป็นสิ่งที่ถูกดูเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราแลวพอเราขยบขึ้นมาอีกอีกขั้นหนึ่งก็คือตัวเราก็มีพฤติกรรม เพื่อนเราก็มีพฤติกรรมก็ต่างฝ่ายก็ต่างเป็นฝ่ายที่ถูกดูทั้งหมดเลยครับแา่ใดก็ตามที่ที่เริ่มเห็นความจริงแบบนี้มันก็เลยว่ามันก็ไปอยู่ในโหมดของไอ้สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูหมดเลยครับไม่ไม่จีหลังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้อะไรเลยครับไม่ทราบน้องมีอะไรจะถามเพิ่มครับก็ก็เ อ, อ่อณัฐุดนี้ยังยังไม่มีข้อสงสัยนะคะคือจะจ ะ, จะลองทําก็ไม่ได้ทําแต่ว่าก็ถ้ารู้ ก็จะถามตลอดเลยว่าใครรู้จะทำนี้ไปโจนกว่ามันจะหนึ่งร้อยเซ็นว่าโอเคนั้นไม่ใช่เราอะค่ะก็เพราะว่าเราเห็นหนึ่งครั้งเรามันก็ต้องมีโอกาสเห็นอีกบ่อยๆอยู่แล้วอะก็ก็จะลองทาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกดูติดก็คือดูแบบแม่นยามากเนี่ยค่ะเหมือนว่าผู้รู้จิตคือคือเราเราจะเห็นว่ามีจักขวิญญาณขานทุกเป็น ในขันห้ามันมันยังไม่ละทั้งกองอ่ะมันลั้แต่สี่อันค่ะแต่ไอไอตัววิญ ญ, ญาณนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้ามันไม่มันไม่เห็นว่ามันเนี่ยแหละต้องเราต้องวางตรงนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะไอตรงนั้นอะ่ะเรามาเห็นก็ต่อเมื่อเราจะเข้าใจตรงที่ออ่ที่ที่หลวงพ่อและที่ที่ที่ททททบเหมาะให้ดูตรงนั้นเพื่อที่เราจะวางทั้งกองได้อันนี้คือสาเหตุที่เราหนูต้อง เวลาหนูจะทาอะไรมันต้องไปดูว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทําซึ่งหนูก็ไปหาสาเหตุก่อนว่าอ่าทําไมเราต้องรู้ตัวเราและสาเหตุที่ได้ก็คือเพราะเราจะได้วางขันท่าทั้งต่อเพราะตอนที่กำลังวางณนะปัจจุบันทุททกๆวันเนี่ยวางแค่สี่อันดีเพราะว่าวิญญาณขันทํางานอยู่อะค่ะมันไม่ได้วางตดงนั้นแต่ตอนเนี้ยพอเรารู้ตัวตัวจิตดูจิตก็คือมีตัวหนึ่งไปดูจิตอีกทีก็คือวางจิตนั่นแหละ หมายเขาวางทั้งกองแล้ววางขันห้าทั้งทุกอันแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะเออเรื่องรู้จิตนะเดี๋ยวหลวงพ่อทบทวนอีกทีหนึ่งยังสําคัญอยู่นะที่หลวงพ่อพูดตัวยกตัวอย่างว่าไอตอนที่ไม่ดูจิตอะไม่มีใครเลยไม่มีตัวเจตนาไม่มีผู้ดูนะเมื่อมันไม่มีผู้ดูผู้ดูจิตไม่มีแต่เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีตัวผู้ดูตัวผู้ดูคนนั้นนะไม่ใช่ใครหรอกเรานี่แหละ เป็นผู้ดูจิตนะพอดูจิตเสร็จแล้วเราเนี่ยก็จะเห็นอาการของจิตมากมายเนาะจิตตรุงแต่งจิตสังขารจิตโกรธจิตดับจิตโลภจิตหลงรู้ไปหมดเลยเห็นไปหมดเลยนะรู้ไปหมดเลยเห็นไปหมดเลยแต่ไม่รู้ตัวเราที่เป็นผู้เห็นไม่รู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้อย่างเนี้ยอย่างดีถ้าจะวางได้เนี่ยก็จะวางได้แต่อารมณ์คือสิ่งที่ถูกดูถูกรู้แต่ยังไม่ได้วางผู้รู้ เพราะผู้รู้เนี่ยมันเป็นเราอยู่ทีนี้หลวงพ่อบอกว่าถ้าขนาดใดที่เห็นตัวเราที่เป็นผู้รู้จิตเป็นผู้ดูจิตเห็นว่าตัวเราผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันเป็นสังขารเหมือนกันแล้วก็พอรู้ว่าเป็นสังขารแค่นั้นแหละมันก็วางเลยพอวางเสร็จแล้วมันก็วางหมดหมายความว่าวางทั้งผู้รู้วางทั้งสิ่งถูกรู้พอวางทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งถูกรู้ตอนนี้หมดแล้วนี่หมดแล้วที่เหลืออยู่ก็คือ ธรรมชาติที่รู้ตัวเราธรรมชาติอันนั้นแนี่เป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่ปรากฏอันนั้นแหละเป็นส่วนที่เหลือแต่ก็มันก็ไม่ปรากฏนั้นแหะที่เขาบอกว่าดับไม่เหลือหรือวางไม่เหลือเนี่ยก็ต้องวางให้ถึงผู้รู้นะแต่ถ้าวางไม่ถึงผู้รู้มันก็ยังมีผู้รู้ที่เป็นผู้รู้นั่นผู้รู้นี่ก็หรือผนทุกเมใดเพราะฉะนั้นคําว่าผู้รู้คิดว่าเข้าใจเนาะผู้รู้ก็คือตัวเรานั่นแหละที่เป็นผู้รู้เรื่องจิต ตัวเรานี่แหละที่เป็นผู้รู้เรื่องใจลักตัวเรานี่แหละที่เป็นผู้ดูเรื่องจิตตัวเรานี่แหละที่เป็นผู้ผู้ดูใจลักเพราะฉะนั้นกลับมาเห็นเลยว่าตัวเราเป็นผู้นั่งดูอยู่เนี่ยนั่งดูเดยอยู่เนี่ยแล้วก็ตัวเราก็จะกลายเป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาทันทีแล้วก็หลุดพ้นจากตัวเราเลยถ้าให้สรุปเป็นหนึ่งประง่ายๆหลึ่งั้นตที่เขาได้ทนันมา มีสุดท้ายที่รู้ที่รู้ท่เหอะไรอะไรก็ตามคือว่าถ้ารู้ว่าปิดมันผู้ถือรู้มันก็จบแต่เขาบอกว่ามันวางน้งกองจบตรงนั้นหรือคือเพราะว่าคือเพราะว่าเราเราเห็นแค่ื่อถุดรู้คือมีสีตส่ตัวสตัวพรับสี่เราไม่ได้เห็นทั้งทันห้าที่เป็นผิดรู้ค่ะพอเราเห็นทันห้าผิดรู้มันก็จบแล้ เพราะว่าเรารวมจิตเป็นผู้ถูกรูไปด้วยแล้วในนั้นในขันท่แต่ตอนนี้มันยังไม่รวมจิตคือจิตมีการกระทําจิตมันเหมือนไปดูขันท่ที่ถูกรู้แต่ตัวเองก็เป็นผู้ถูกรู้รี่งให้รู้ตอนนั้นเนี่ยตอนนี้รู้ว่าตัวเองเป็นผู้ถูกรู้มันก็มันมาทั้งตัวถึงหลวงพ่อผู้ถูกลย พอดีเสียงของของโยมมันเบาเบ า, เบามากเลยทีนี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบใหม่นะคือบางทีเวลาเราคุยเนยะคล้ายๆว่ามันเออมันเหมือนกับว่าเราเห็นตัวเราไม่ครบทั้งตัวหลวงพ่อพูดแบบนี้นะหลวงพ่อพูดถึงว่าสมมุติว่าเวลาเราดูคนอื่นนะเราเห็นไก่กอเนี่ย ซึ่งอยู่ต่อหน้าเราเนาะเราเห็นแล้วแหละนายกออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นนายกอทั้งตัวแต่ไม่ได้หมายความว่ามาแยกว่าตัวมีหัวมีแขนมีมือมีตับไตไส้พุงเราไม่ใช่อย่างนั้นเห็นทั้งตัวก็คือเห็นโดยภาพรวมๆเห็นทั้งตัวเห็นไหมพอเห็นทั้งตัวนายกอเป็นแล้วเนี่ยต่อมาเราก็เห็นตัวเราทั้งตัวเห็นทั้งตัวก็คือเหมือนกับเห็นนายกอนี่แหละอ่าแล้วก็พอเห็นตัวเราปั๊บก็เห็นทั้งตัวเหมือนกัน แล้วก็เมื่อเห็นทั้งตัวปับ๊บทั้งตัวเนี่ยก็จะเป็นสิ่งถูกรู้เห็นไหมพอเป็นสิ่งถูกรู้เสร็จแล้วมันก็ในกอกับตัวเรามันก็เป็นสิ่งถูกรู้เสมอกันอ่านะแล้วก็ส่วนธรรมชาติที่รู้มันก็พ้นไปจากทั้งในกอทั้งตัวเราใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นการรู้ตัวเราเนาะก็คือรู้แบบรวมรวมแล้วก็เมื่อปล่อยวางมันก็ปล่อยวางทั้งรวมทั้งทั้งก้อนนั่นแหละทั้งหมดเลยนะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยว่าเออปล่อยวางหมด ทีนี้หลวงพ่อมาพูดถึงเรื่องการดูจิตอีกทีหนึ่งนะครับการดูจิตเห็นไหมมันจะเตรียมตั้งท่าแล้วจะนั่งขวาทับซ้ายจะนั่งปิดตาตอนนี้จริงๆตัวเราแหละตัวเราแล ะ, แล ะ, และทั้งนั้นแหละที่ทำอยู่นี่เนาะแต่เราก็ไม่เห็นตัวนี้ไงเราไม่เห็นตัวเราแล้วก็พอต่อมาเราก็ปิดตาพริ้มเพื่อที่จะดูจิตเนี่ยตอนนี้มันเป็นตัวเราเป็นผู้ดูและแต่มันไม่คือไม่เห็นตัวเราที่เป็นผู้มีพฤติกรรมแบบนี้ พอไม่มีพฤติการแบบเนี้ยตัวเราทั้งตัวก็ไม่อาจจะถูกวางได้ใช่ไหมเพราะไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้ารู้เห็นตัวเราแบบทั้งตัวเมื่อไหร่นะแค่เนี้ยมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ทั้งตัวเลยแล้วก็การสลัดคืนก็คือไอสภาพธรรมะที่รู้ตัวเราเนี่ยที่เรียกว่าพุทธะเนี่ยมันก็รู้แจ้งรู้แจ้งต่อตัวเราแล้วมันเหมือนกับว่าเกิดปัญญาชัดขึ้นมาว่าไอตัวเราทั้งตัวก็เป็นสิ่งถูกรู้เนะแต่ ตัวพุทธะเนี่ยซึ่งไม่มีตัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งหลุดไปแล้วพ้นไปแล้วและก็ไม่ได้เป็นตัวเราแค่นี้มันก็จะพลากจะแยกกันแบบขาดสนิทเลยว่าตัวเราเนี่ยที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยบัตรเนี้ยทั้งตัวมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขาดสะบันเลยคือหมายความว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีตัวเราแล้วก็เลยเป็นความว่างเปล่าคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากตัวตน ก็ขออนุญาตพูดดังๆนี้เลยครับน้องรบกวนตอนนี้ตอนนี้โอเคไหมครับแล้วครับน้องขอโทษหนูอยากทราบว่าการที่เราดูจิตอันนี้อันนี้มีผลงี้ที่มันเ็นที่ว่าคนอื่นเป็นแบบมันจะแยกอะค่ะอย่างเขาอกมันจะเห็นรวมอะแต่เวลาพูดเขาจะดูจิต มันจะแยกออกมาค่ะว่ามีจิตผู้รู้มาเต็มแล้วสิตที่ผู้รู้อีกสี่ขันธ์น่ะมันเป็นกองเหมือเนี้ค่ะมันแยกวอกาเป็นแบบนี้ทีนี้พอมันแยกเป็นแบบนี้เนี่ยมันมันจะเห็นอย่างเดียวเลยคบว่าว่าเราเนี่ยจิตอ่ะ น, นมนความเป็นเราอยู่ความเนเราจิตคือเราจิตมาเดียวแบบหนึ่รัะจิตกองก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็อิรานุน อันนั้นติดนกองซึ่งเราอะเห็นว่าเป็นผู้ถูกคุอยอยู่แล้วอันนั้นเรายังไม่เราก็จะไม่พูดถึงตัวนั้นเพราะตัวนั้นรออะผ่านแล้วโอเคอาจจะพูดได้ว่าผ่านแล้วไอตัวที่มันยังติดอยู่อีกกองหนึ่อะคือคือเหมือนรวมรวมไม่ได้อะแยแบบเนี้ยแล้วกองที่หนูติดอยู่กับกองที่ว่าเราติดคือเราเป็นครัสเต้นคือผิดเลยอะ เหมือนว่าเพืเป็นสิิ์เลยว่าอ่ะตอนเนี้ยมันยังไม่ป็นลาดเพราะไอ้ตัวเนี้ยยังอยู่ทำยังไง้ันมีตัวเราอยู่ตเนี้ยก็อทีนี้อก็ตัเนีก็ีที่มะก้ามารวมที่ก็มีานวุอย่่ว เพาว่าคนทีเืออีกเยอาจะม่คือหลายนที่มันวามรู้สึกแบบที่าือใตัวนั้นจบมันก็คือจบมันเหลืตรงจริงเนี่ยแต่ดูรวมๆมันอาจจะเป็นไปเองตอนนี้มันไม่ดูรวมไม่ได้เพราะว่าดูได้แต่เระว่ากลิดคือเรา เข้าใจว่าข้าเข้าใจคือหลว ง, งพ่อเข้าใจโยมเนาะแต่หลวงพ่อไม่ให้ไม่ให้ให้โยมเป็นอย่างที่ที่โยมเป็นตอนนี้คือตอนนี้เดี๋ยวนี้นี่เนาะมันมีตัวเราเนี่ยตัวเราที่เป็นผู้พูดเป็นผู้เล่าเป็นผู้เห็นแล้วตัวเราเนี่ยเหมือนกับพยายามจะให้จะให ให้เห็นจิตหรือว่าให้เห็นตัวจิตแล้วก็วางอะไรให้หมดเนี่ยแต่หลวงพ่อต้องการจะบอกว่าให้เห็นตัวเราตัวนี้ตัวที่ที่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ตัวเราที่เป็นผู้กำลังฟังกำลังพูดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็วางตัวนี้เลยไม่ต้องเอาตัวเราไปวางตัวไหนเนี่ยให้เห็นตัวนี้ตัวเราปัจจุบันเห็นได้แจ้งให้ชัดเลยว่ากำลังพูดกาลังนั่งกาลังคุยเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยลัดสั้นที่สุดละ ไม่อย่างนั้นนะมันจะเอาตัวเราไปไปยุ่งกับไอ้พวกน้นพวกนูน้นคือมีตัวเราไปยุ่งไงไปยุ่งไปยุ่งอืตอนเนี้ยไอ้ตัวยุ่งเนี่ยก็คือตัวเราตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเห็นตัวเราว่าไอ้นี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นคือขันหน้าหมดเลยเป็นสังขารหมดเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วก็ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เน่ยมันจะโลง่งมันจะหายเหนื่อยมันจะเ อ, อแบบโล่งเลยอะ่ะมันหมดปัญหาเลยอืไม่รู้เห็นตามที่หลวงพ่อพูดไหม อ่าถ้างั้นเดี๋ยวออกนี้หนังนี้นะถ้าถ้าไม่เห็นตัวเรานะเดี๋ยวหลวงพ่อจะลองวิธีนี้ดูว่าจะเห็นไหมเนาะวันก่อนเราพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ไอ้โยมคงได้ฟังเราละมั้งโทรศัพท์ที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยเห็นไหมโทรศัพท์ก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วตัวเราก็อยู่ตรงนี้แหละอ่าตัวเราก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วตัวเราเนี่ยก็จะพูดแต่เรื่องโทรศัพท์เนาะเช่นว่าโทรศัพท์ของเราสวยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ในโทรศัพท์เรามีโปรไฟล์ด้วยคือตัวเราเนี่ย พูดเรื่องโทรศัพท์แต่หลวงพ่อเนี่ยให้กลับด้านมานิดหนึ่งคือให้รู้ตัวเราที่มันเป็นผู้พูดเรื่องโทรศัพท์พอมารู้ตัวเราตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องวางเนี่ยคือเมื่อรู้แล้วไม่ยึดเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าต ah. ัวเราไม่ยึดโทรศัพท์แต่ตัวหมายความว่าเมื่อรู้ตัวเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ยึดสิ่งที่ปล่อยวางคือตัวเราที่เป็นผู้พูดเรื่องโทรศัพท์อย่างเมื่อกี้เห็นไหมโยมเนี่ยเป็นผู้พูดเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนาะเป็นผู้พูด ไอ้เรื่องแล้วที่พูดเนี่ยเหมือนกับว่ากําลังจะไปพูดถึงอีกเรื่องหนึง่งแต่หลวงพ่อบอกว่าให้ตัดประเด็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้รู้ตัวเราที่เป็นผู้พูดเมื่อรู้แล้วเข้าใจด้วยปัญญาว่าผู้พูดเนี่ยมันเป็นสังขารนะพอรู้ว่าเป็นสังขารเสร็จแล้วสังขารยึดถือไม่ได้ก็วางลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องรู้ตัวเรานะไม่ใช่รู้อารมณ์หรือว่าไม่ไม่ใช่ว่ารู้แต่เรื่องโทรศัพท์รู้ตัวเราที่เป็นผู้รู้เรื่องโทรศัพท์แล้วก็ วางลงแต่ถ้าบอกว่าก็หนูยังไม่เห็นตัวเราอ่ะทําไมจะไม่เห็นในเมื่อเห็นโทรศัพท์มันก็ต้องเห็นตัวเราได้เพราะว่าโทรศัพท์อยู่นูน่นตัวเราอยู่นี่เห็น ไ, ไหมมันก็เห็นตัวเราอยู่แล้วทีนี้ถ้าหนูบอกก็ยังไม่เห็นตัวเราอ่ะก็เริ่มต้นใหม่ก็ไปมองโทรศัพท์เสียผมมองโทรศัพท์อ๋อมันก็รู้ตัวเราอีกแล้วมันก็เห็นตัวเราอีกอ่ะแล้วก็บอกแล้วก็อาจจะพูดใหม่บอกทําไมมันไม่ชัดสักทีหนึ่งอ่ะแล้วก็จะรู้ว่า ไอ้ตัวเราพูดว่าไม่ชัดสักทีนทําไมมันไม่ชัดสักทีเห็นไหมตรงนี้แหละมันก็จะรู้ตัวเราจะรู้ตัวเราแล้วก็ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็ทิ้งมันไปซะอย่างเงี้ยอ๋อเออค่ะแม่ผู้รู้ไม่ใช่เราตรงนั้นเห็นอยู่เหอนจิตไม่ใช่เราจิตเป็นผู้ถูกรู้ตรงนั้นอ่ะหนูเห็นเิ็นลับตาเพแต่ว่าตัวหูดูโทรศั ก็ม<บ> <PTSD> ีก็มีอยู่แบว่ากี่มยาารแมกซแต่ถ้าคุณก็อาจจะิดคิดคิ้ริดติดผู้รู้ติดผรู้ติดนี่อะไรหนูจะเห็นว่ามทัดยค่ะเร่องกายหนที่่าันเหมือนกับกายมันไม่มีความหมายมาเท่าไห่กัหนีเว่าหนูเคัฒนาตายก็่เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยในใ กาคะคืคือเราก็ได้สดในใจ่ใครฝือยู่เราสนลจว่าว่ า, ว, าว่าคิคดอะไรอยู่รว่ารู้อะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันมันเนทุกรั้นแนะคะแต่ถ้าให้ดูว่าเราเคลื่อนไหวอยู่อันนี้อันนี้อันนี้ยากเลยคนะ่ะเดี๋ยวนะหนูหนูถนัด ท, ท, ที่จะรู้จิตเออลองไปดูประโยชน์นี้นะ หนูเหมือนกับว่าหนูรู้กายไม่ค่อยได้แต่หนูถนัดที่จะรู้จิตคำว่าหนูพิจารณาตัวนี้เลยนะคำว่าหนูเนี้ยตัวเนี้ยคือตัวไหนตัวจิตหรือตัวไหนตัวคำว่าหนูเออลองลดูตอลองวอกฟังมันหมายถึงอะไรหรือหมายถึงทั้งตัวต้องต้องเออใช่รวมรวมทั้งตัวเราเพราะว่าถ้ารู้ตัวเรารวมทั้งตัวเราเนี่ยมันสามารถปล่อยได้ทั้งตัวเลยเพราะว่า สิ่งที่มันเป็นทุกข์ที่มันมันมีปัญหามากที่สุดก็คือตัวนี้แหละที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยนะแต่ถ้ามารู้ตัวเรารู้ยกยกพวงเลยไอ้รู้ทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าส่วนไหนแต่มันเป็นที่เข้าใจได้เพราะเราเคยรู้จักตัวเรามาแล้วเนี่ยว่าตัวเราไม่ใช่คนอื่นนะแล้วพอรู้ตัวเรารวมๆอย่างนี้แล้วก็อ๋อมันเป็นแค่สิ่งถูกรู้แค่เนี้ยก็สลัดคืนหมดแ่ะ ว, วางหมดแล้วอเออแต่ทีนี้ว่าเดี๋ยวมันติดอยู่ตรง ตรงไหนนะของโยมเนี่ยมันหลวงพ่อไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าค่อยๆพูดอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันจะค่อยๆเก็ตเองหรือบางครัง้งบางคราวอาจจะพูดแล้วมันมันยิ่งงงมันยิ่งเครียดเนาะอาจจะหยุดหยุดชั่วคราวก็ได้แล้วก็สักวันในบางช่วงเนี่ยที่ไม่ได้คุยแล้วเนี่ยมันอาจจะปิ๊งอาจจะร้องออกขึ้นมาได้เพราะว่ามันผ่านการได้ยินได้ฟังมาแล้วคนที่ระหว่างสนทนาบางครัง้งบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเนาะหรืออาจจะเข้าใจแต่ไม่ชัดเจน พอเลิกคุยแค่นั้นแหละเลิกการจงใจที่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจแล้วไปทำโน่นทํานี่อาบน้ําแปลงควันหรือขับรถอยู่ๆปั๊บปิ้งขึ้นมาเลยโผร่ขึ้นมาเลยเขาเรียกว่ามันโผร่ขึ้นมาตรงนั้นแหละมันจะเกิดเข้าใจแจ่มแจ้งนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้บางทีมันอาจจะเตื้ออาจจะตันเนาะก็ให้ให้พักๆตรงนี้ก่อนแล้วก็ล อ, ลองลองลองฟังคนอื่นหรืออะไรสักช่วงหนึ่งก่อ น, นเนาะเพราะว่าพื้นฐานของโยมเนี่ยโยมมีความเข้าใจโยมเห็นตามได้อยู่หลายเรื่องแล้วแหละเนะ แต่ตอนนี้มันอาจจะตึงๆไปก็พอๆเหมือนกับพระนรินทะ์ตึงๆไปบางทีอยากจะบรรลุธรรมอยากเป็นพระหันไอความอยากเนี่ยมันมีตัวเราเป็นผู้อยากเนาะไม่เห็นตัวเราสักทีหนึง่งแต่พอหยุดแค่นั้นแหละว่าเออพักก่อนความอยากก็จางคายก็ก็มาเห็นตัวเองว่าโอ้ยอเราเนี่ยเราอยากจะเป็นอรหันต์พอรู้ตัวเราฟังโอ้โหโล่งเลยคืออรหันต์เลยว่าตัวเรามันแค่เป็นสังขารเป็นความอยากเป็นตัญหาเป็นอุปาทานนะพอเข้าใจปั๊บ โอ้ยมองมาค่ว่ามันไม่เห็นตรงนี้ไงจุดใต้ตำตองเนี่ยพอเห็นปั๊บสุดท้ายก็โอ้ตัวเราไม่มีเงี่ยโล่งเลยแล้วก็เข้าใจเลยแจ่มแจ้ ง, จงเลยบรรลุธรรมนะของโยมก็คลายก่อนเนาะฟังคนอื่นไปเรื่อยๆก่อนเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จําพงเดี๋ยวหลวงพ่อขอขอฉังเตนก่อนเนาะแล้วก็ให้โยมสนทนากันต่อไปครับกับมนทุ่งทธนาในกุศลที่หลวงพ่อเมตตานะครับ